50 languages. b u คำคุณศัพท์ a d j e c t i s เธอมีสุนัขหนึ่งตัว El l t g o สุนัขตัวใหญ่ El gos s gran.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 เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง El Bionun <ke> ja Hotel โรงแรมราคาถูก Hotel Esbarat เขา <ke> พักอยู่ในโรงแรมราคาถูก El l Salogia Nun Hotel Barat เขามีรถหนึ่งคัน El l t u n c o c h e รถราคาแพงเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องนิยายน่าเบื่อ